Thank mm -hmm. you.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 ความโศความทุกข์รสชาติแห่งความเหลวไหลมันก็เกิดเวลาคะเบื่อหน่ายเมื่อมันเบื่อหน่ายแล้ก็ก็ไปมันไม่เอามันไม่หยุดมันเราเห็นหมูดเห็นครูดเราก็เบื่อหน่ายไม่เอาเราก็พ้นไปจากสิ่งที่มันสกปรกสกปรกอยู่ตรงไหนก็ทําวามสะอาดอยู่ตรงนั้นความสะอาดไม่อยู่ในความสกปรกเกิดขึ้นกับรูปกับนาม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 เป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาเป็นประโยชน์ต่อตัวเองประโยชน์ต่อคนอื่นพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้มากๆประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกในโลกในนามมันเป็นไปได้แต่ถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นโทษเป็นปัญหาพระพุทธเจ้าตัดย้ำอยู่เสมอผู้ใดทำประโยชน์แต่ตัวเอง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 มันจะสํารวมอายธตนะไปในตัวมันจะมาสร้างอินทรีย์ใหม่คือสติอินทรีย์มันก็เมื่อสติอินทรีย์เป็นใหญ่มันงอกลามขึ้นมาอายธตนมทั้งหลายก็สํารวมลงหยุดลงไปในตัวเสร็จสติอินทรีย์นีเป็นใหญ่มีอำนาจอะไรลู่อะไรลู่จับตาจับหูไม่ใช่เลย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 ตาธิปเตยยะอธิปไตยเริ่มต้นจากเราโลธรรมมาอโลกาธิปเตยะแล้วมันก็เป็นเพื่อโลกไปเลยแล้วก็ธรรมมาธิปเตยยะก็เพื่อธรรมทีุมก็เพื่อธรรมจากตนจากโลกก็ถึงธรรมเป็นไปอย่างนี้การปฏิบัติธรรมเจริญเศรษฐฐานตามสูตรที่พระพุทธเจ้าพาให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสั้น